เห็นนั่นแหลพระเบือไทยไสิไประจำมัสฑาอังคิษน้องหลงตาเนี่ยเนดะี๋ยวหลวงพ่อพนดว่าให้ไปซิมฮามีเธอน้าเนี่ยนะ <c oughs> เป็นว่า สิบหามีตันาไปยูเลยนออกภาษาท่ากบทีนเราังมากักท <laughs> ินด็ไปตัวคำมันสบายยูกะทินเด้ไปตามใช่ใช่จังว่าอเมริกาไม่ใช่ อันทีไปเนยอัไหนอเมริกาขันไปอเมริกาไม่ต้องไปแย่ไมต้องไปแามเริ่มเริ่มเศ้าหนาวนี่ยหนาวว่ไหลไปไมริกายังสิได้ประโยชน์ไปแล้วต้องป้ายรัดนั่นรัดนี่ซุ่มอยู่ตามระดับต่างๆนี่มุ่นเลยไปอเมริกา ้นไปเยี่ยมรัดนั่นรัดนี่บ้านพนันบ้านพนี้สะเนี่ไ ป, ไปเทศให้ฟังสเนี่ยห <laughs> ลวงปู่การพ่นไปพ้นไปเขียนแผนทอง <laughs> เขียนแผนทองแจกที่แรกแก็แจกเพืดเดียวนะเอาไปมบบานแล้วไปตง ไอ้เกือบเดือนน้องผู้การมันไปกอนเทียนพันไปกอนนงตาลงตาไปที่หลังเขียนแผ่นท่องร้อนมือว้อนขึ้นถ้าละมือละวัน้นหดมือมากเขียนมาแล้วต้องได้เอาขึ้นมาเขียนยังไทยพี่น้ำเมาพี่เด้อไคอยากได้เนาะลงตาไปต้องไป ขาวนางภาวนาสอนนองภาวนาถามเออถามอาจารติกอาจารติกเร้เพิ่งพอกันหินออกเปลงมั้อนะเพิ่งอเดี๋ยวเจอกันอังกษิษได้เพิ่งอาจารติกที่เพิ่งอยุวั น, ยยวนเมืองราทะเลทใหเขาไปเยี่ยม เห็นโย่งงเดียวเนนะเห่นาว่าถ้าถ้าไปอังจิตท่านว่ซ่ามได้กามี่ยังกับบินไปได้เรนะ่อยเห็นไบินออกจากอังกฤษกับบินไปขอไม่ได้กาได้เรื่อยแค่จงออกอ๋ไม่ได้กาังไกลับมาไทายพก็ได้เนะห็นไหมพวกหนึ่งก็อยู่ฝรั่งเศสพวกเล้า อย่อมล่าเวียงไปเก็ตธุรกิจอยู่ฝรั่งเศสพรเจ้มุนไปเยี่ยมต้องขอขอฝรั่งเศสไปนนี่นั่ขอวีซ่า ขอขอเขาให้เขาให้เอาอย่างบัญซี่อแสดงบัญซี่น้าปีกายเนี่ยปีกายยังใครอยู่บัญชีนี่บัญซี่ย่อมถวายพระเจ้าในสางโบสถ์บันสมุเอสองล้านมันมีในบัญซี่ปีนี้เราไปสางโบสถ์หรอม่ถาม้าบัญซี่เปา ตีพนัก <watering>, ง้ยขอหาปีโลดาสั่นามเมื่นาสั่นอะกินขอหาปีข้าขอวีซ่าสามเมื่นมาสั่นอขอหาปีเที่ยวไปเที่ยวมาเลยรถ มันอีบลงไปเลยวะมันอีบลงไปเลยวยั่งอยูออ่พอกันเพราะลานอาหารพวกไอ้เนี่ยตีกันหุ่จักรย์สุ่มอยู่แอร์นะอยู่สยามสแควร์สุ้มเปิดลานเนี <laughs> ไอ้ยังก็ขายยังเจ้าเจ้าหู้ซื้อนี่เปืดอขายอยู่เขาเรียกยนงก็ขายยังก็ที่ไ อ, นย อ, ยอ้นานาที่น้องไส้สองบอมันบอมันมันมีซื้อพลังอลนะเขาก็บริษัทไอ้แอนบอย ไม่ขาว เขาวาสุ่มมินมินน้ำหวานหวานมันไม่ไขมันเนเเขาวา <laughs> สาันดราไขมันเริ่มไขมันเลยน้ยนำนี่นี่น้ำของเขาาอย่งโฉน้ำแอปเปิ้ลมันน้ำตาข่ายครับแม่น้ำตาข่า เดี๋ยวนี้เขามีเขาเห็ดแบบกินกินได้เค็ดวันแบบนำ้ำตะไครน่น้ำมะตูมนำ้ำเก๊ก้วยนำ้ำดอกกัญชั น, นยังกวดเป็นเนวๆซหนาๆซึ่งนั่นดีลแอบบเขาใส่ห่าหวานเขาว่าใส่น้ำตาล พิ่เศ้าได้ยินเห็นพระพันเอาไล่ให้กันบ้างว่าหลวงปู่วนมี่ทรงไปฝุ่นนี่สิริราชตึกตึกการุ่นพุ่นอ่าปู่วนมี่ใหญ่จนเป็นอย่างบวบหูวเรื่องออก้วบ่ออกกัรมะแล้วบ่โอ้โหคือกับมะได้ว่าแทละไปเจ้ามือพสองมือ ไปไปพักซื้อบอกเครืงเฟินเป็นอย่างต้องไปซีราตเลยอ้ยนั่งรถไปบอกนม่ไปเครื่องบินเครื่องอวบน โรคยังโลกคนเป็นโลกเกี่ยวกับอันนี้คนเจ้ากับที่เว้าว่าว่าออกกําลอดล่มอยู่หลอดล่มมีก่อนยังหนุนอยู่แต่ก่อน <c oughs> ต้องปูบนเพ่งทำอ ง, งเพ่งไตคนไหวไตไหวาบาน หมอหายาาหายังยุซีนัคลินไวราก็โดนเนาะแต่ว่าถ้ามันฝืนขึ้นมากอันนี้ฟอกได้ไตฝืนผู้เฒ่าเนาะคือใบไม่อย่างเอามือหนึ่งดังยุกุติเดี๋ยววะใบไม่ บ grammar, ใบก no ุ้งใบนั้นเริ profiles, ่มเลี้ยงตั้งใบมันก็โรนในเลี้ยงว้เต็มต้นโอ้โหย่ามมันย่ามใบไม้่วงเนาะเป็นที่ดูใบไม่ check, ้ลวงลอยวงคลอยโลอยไปพอใบไม่มันแก่นค้นล่ะแก่ละก็เหมือนกันก็ว่าเป็นที่ดูใบไม่ร่วงครูบาอาจารย์ที่มีอายุหลายๆ เป็นงคือกันว่าองค์นั้นร่วงไปองค์นี้ร่วงไปออพิจนาครับธรรมชาติมันก็เป็นสันเดีเพราะเนีใบไม้ร่วงก็ร่วงร่วงไรอะไรกันไปครูบาอาจารย์ที่ไหวที่อายุยุ่นเนระดับถือว่าระดับไมไม่ร่วงนี่ก็องค์นั่นร่วงองค์นี้ร่วงไป นี่ร่วงไปทุละปีละ ป, ละปีเอาไปมากเบิร์ตเบิร ย, ยุคเบิรยุคเบิรสุดครูบาอาจารย์ที่เป็นเนื้อหน้าบุญที่เป็นรัก ไปเรื่อยเฉลี่ยแต่เสียงมันคือดวงตาบรรทัดยังไขอยู่มันมันเนี่ยฟังเปิดฟังเปิดฟังเรื่อยๆฟั่งฟังเรื่อยๆก็เป็นธรรมะกอมคอมใจเตือนบ่อยหอบประมาทเลย ของหลวงปู่สิงท่องมาของปู่ของปู่ซิงท่องฟังฟั ง, ฟงคักคักเนี่ยมันก็เป็นความจริงอ่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นสื่อของความจริงไอ้คนพูดเป็นเสียงเป็นยังคนหนุนออา่าพูดออกตามสภาวะความเป็นจริง ฟังมวลเดฮเขาฟังค่งฟังธรรมะเนี่ยเรียกว่าคผูดด้ใดฟังปิดหรือมวนคัน <c> ผ <oughs> ู้ฟังว่านติดว่านเป็น บ, <c oughs> บ, บาานนา่านนใใรู้เรื่องฟังไว้กับว่ารู้เรื่องคือว่าเข้าใจที่เข้าใจกอนนว้ได้เคยหูจักเคยอันสนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติธรรมะกอมใจ ให้ใจสงบหรือว่าให้คัดเก่าให้คล่มสว่างเกิดเป็นปัญญาการฟัง่งฟั่งเป็นและกันก็สิเข่าใจว่าก็สิเพิ่นเปิดไว้ฟั่งนอนก็เปิดไว้ฟัง่งนอนรับไปก็สิเคพิ่มเป็นนิมิตฟัง่ง ทามาไปเรื่อยเรื่ยจนเตื้นหมตะกี้ตะกี้คูบาอาจารย์สอนมาผนบ่ให้นอนฟังทํามันจะเป็นงูลงตาเลยมากอาพียน้าอ้าว่าเที่ยวคนป่วยคนเก็บนคนก็ไปเทศให้ฟังอยู่คนป่วยคนเก็บ กบบ่บาบนะฟังก็เข้าใจเลยอยู่นอนฟังกันเลยัยงค้นป่วยคนเจ็บพระพุทธเจ้าคนด้วยสอนพระวิดาคนพระเจ้าสุดท้อธนาก่อ น, นอนป่วยใกล้จะสิ้นใจพระเจ้าสุดท้อธนะฟั่อืก็เข่าใจเกิดปัญญากสิ้นกิเลสเป็นพระอาหารหันต์ได้ยังคอยหนีพานยังค่อยสิ้นใจ นั่นคืบอบบางนะก็ได้เปิดฟังได้แบบนั่นอาววันหน้าแหละเปิดเบาๆไปใกล้ๆหูกมเปมีหลายคนอยู่เจ้าคุยนํา ฟังฟังตลอดมือตลอดขึ้นมาสั่นรู้นองคนเ่ยติดการไม่ได้ฟั่งนอนมาลับเล่เๆเฟังเอาถ้งมากมไห้นอนลับดีจะได้ฟูเร่เพามีหาไปคือจเป็นเห็ดแก่งานของหลวงปู่ไทของอน อ, อันแกร์ไม่ผู้ดไดปลุกแกรมันน้อยอันนี้ดีอยู่มันวัสดแบตเตอรี่ง่ายชายด้วยละ่ะเปิดฟังในรนฟังของหลวงปู่ชาของหลวงปู่เจ้าฟังพระวัดหลวงปู่เทศนี่ว่าหลวงปู่เทศ ม, มี่ ของหองปูสิงทองของของงตาวันตาเนี่ยเปิดเปิดเปิดิวิทยุก็อยู่วันมันรับของบรรดาชั ด, เ ป, ดเปิดวิทยุออยรรทยส่วงเด็กๆนจังเข้มคนนี่ทำมาทำมาที่พันเทศจะหารอยซีหารอยหา เข็มค้นกันทีทพนเทศจะยวดโสการามพนเทศวิธีของพระอนาคามีพระอนาคามีตังสินสินราคะบ่ถือดึงดูดด้วยกระแสของราคะจิต อันกัฟังเข้มคนเดียวเอามาพี่หน้าเบิร์มดเอาพระพุทธเจ้าเป็นเสด็จเทศสอนธรรมะเนี่ยสี่สห้าปีเดี๋ยวว่าเป็นงานเป็นพุทธกิจเป็นพุทธกิจเขาเผินเลยเลยเหินเหินบ่เลยเหินบ่เลยไปเห็นแน่อื่นคือ ยพระเข่าส ม, มือนี่เด้าจะไปเห็ุเรื่องอื่นเด้ยเทศออกพรรษาอะไเสเด็จจาริกจนถือเขาพรรษาจังกรบมวัดเชตตวันอ่าบางปีบางค้า้งกับจังพรษาบอนอื่นเนะ ยังไปโปรดไปโปรดเช่าเมืองเวเวรั้นชาเมืองเว่รั้นชาไปโปรดเช่าเมืองนั่นนำํำแ ล, ล้วก็ไปถีอว่าไปเสวยวิบากกรรมของพระ อ, องค์นำ้ำคือฟันศิลูเรื่องสกันฟันเจ้าฟันซี คนศิเสด็จไปที่ไหนหรือสิษประเทศใครผู้ดใดผู้ดใดสิต้องรู้ด้วยพยานของพ่อองค์เรียนในพุทธกิจหาพุทธกิจหาปุพันธ์เหตุปิณฑปตาตันจะักรยามาเจ้าเที่ยววินทบาทโปรด ทำประโยชน์ให้ผู้ได้ทำบุญทำท่านบ้างผู้ได้เห็นบ้างทั้งที่ก็ได้ยินได้ฟังไมมือเศร้าส า, สานเหตุธรรมเทศนาเวลาบายดังแสดงรรมโปรดชาวบ้านชาวเมืองอา่าพอคำมากอะฟิกูโอวาดัง ไอโอวาดพระอัธรเตเทวปัญหานางังดึกๆเทีเ่ยงขค้ืนมากเทศเ ท, ทวดาฟัง่งแก่ปัญหาเทวดาเอเเทวดาสันต่างๆอัทรเตเทวปัญหานางังพภะภ พ, พเพวิโรกนงังใกสิสว่างกับพิยนา กลางคายคือพญานของพระองค์พมะแม่เทา่าเอากระจกเง่ามาตั้งสี่มีงเง่ า, าในพานมาได้หั น, นเรียกว่าแพรคายพญานอี๋ยวพีนาอุปนิสัยผู้ได้มาขเข่าดีเล่งเป็นพิเศษย่ามือเศร้ามาต้องไปโปรดผู้นันก่อน เป็นเป็นเป็นเป็นกิจของพระพุทธเจ้าเด้อแสดงธรรมพอถึงข้นสมัยนั้นยังคอยฟังอยู่เรื่อยฟังอยู่เรื่อยไอ้ราพระองค์ประทับอยู่เชตวันเทศตอนบ่ายทุกวันดวงเศร้าเมื่องกิดไปฟัง ซุ่มเก่านั่นแะซุ่มเคยฟังแล้วแหะก็ไปฟังซุ่มไม่ก็มี่ซุ่มเคยฟังแล้วก็ได้ไปฟังเป็นการเพิ่มลดเพิ่มชาติไปเรื่อยฟังคั้งนี้ก็ได้แค่ข่อมเลียมไซครข้างนี้ก็เพิ่มเรียมไซเขาไปไล่ข้างไล่หอนได้บรรลุถ้ำเป็นคันคันไปบางคนกับฟังเท่เดียวข้างเดียว ทำให้ตั้งมั่นแน้วแน่แแบาบนนี้เมื่อได้เมื่อได้ฐานตั้งมั่นแล้วมันก็ดบ่บ่อิ่มบ่เบื่อเหือนยังว่าสัพพร ะ, ระโสธรรมรสังสินาติรถของธรรมชนะรถทั้งปวงคือเขาเคยกินอาหารได้สแส่ ติดล้านนี่ก็เที่ยวไปกินเรื่อยๆอย่างเงนี่คือการรสชาติของธรรมะอก็ติดที่กันแต่ว่าติดรสชาติของธรรมดีเป็นท่ามที่เสพปศเปืองทุกเป็นเครื่องแก่ทุกปดเปืองทุกให้เบาบางไปเรื่อยๆเื่อยๆเร่อย นี่จังว่าทำทราบสึ่งในรสชาติของธรรมมาเลยฟังเพิินในความสงบเป็นอย่ามีอันนี้สงหาได้ยินในฟังผู้บริเคยได้ยินในฟัง่งได้ได้ยินในฟั่งบางเรื่องบางอย่างที่เคยได้ฟั่งแล้วก็เข้าใจเพิ่ม เติมเขาทำความเห็นให้ตรงตัดความสงสัยความสงสัยในถ้มที่มี่ยางนั่นยางนีเขาใจแล้ะหายสงสัยในข้อปฏิบัติทำจิตใจให้พองใสฟั่งไว้มันสงบ ห ร, หรือมันบสงบสงเงินล่าเรื่องในกระแสถรมจิตใจเบิกบานเรื่องว่าลดของถรมชนะอรถทั้งปวงการไถ่ถรมเป็นท่านชนะการไห่ทั้งปวง สัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ทมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง